ธรรมนะนรู้ไม่ได้ด้วยการคิดเอาต้องหัดดูสภาวะให้เห็นสภาวะคือรูปรธรรมร่างกายเราเนี่ยคอยรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกสบายยสภาวะคือความรู้สึกทางใจสบายใจก็รู้ไม่สบายใจก็รู้นะโกรธก็รู้โลภก็รู้หลงก็รู้ ฟุ้งซ่านหอนหูรนู้รู้สภาวะไปเรื่อยๆแล้วสภาวะจะสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้รูปธรรมนามธรรมนี้แหละคือคนที่จะสอนธรรมะเรางั้นไม่ว่าเราจะไปนั่งถามอาจารย์นะถามตั้งแต่เช้าถึงเย็นถามเป็นเดือนเป็นปี รับใจที่ไม่เห็นสภาวะไม่เห็นรูปธรรมนามธรรมของตัวเองความเข้าใจธรรมะจะไม่มีถามยังไงก็ไม่เข้าใจครูบาอาจารย์ท่านสอนให้หัดดูของจริงมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรอย่างใจเราสงสัยขึ้นมาแต่เดิมเราเคยชินพอสงสัยก็ถาม ถามได้คำตอบเราก็ไปคิดอีกก็สงสัยอีกต่อไปเวลาความสงสัยเกิดขึ้นให้เรารู้ว่ากำลังสงสัยอยู่เราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหมือนเหมือนกับอารมณ์อย่างอื่นนั่นแหละเหมือนความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ทันความโกรธก็ดับ ความโลภเกิดเรารู้ทันมันก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดรู้ว่าฟุ้งซ่านมันก็ดับความสงสัยเกิดขึ้นมาให้รู้ทันว่าสงสัยแล้วความสงสัยก็ดับเราปฏิบัติธรรมนั้นเพื่อให้จิตเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดอะไรเลย ต้องการเห็นนิดเดียวว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปนี่เราอยากได้ความรู้มากๆก็เลยคิดมากคิดมากก็สงสัยมากสงสัยมากก็ถามมากถามมากก็เอาไปคิดมากอีกก็เลยสงสัยไม่เลิกให้เรารู้ทันสภาวะเข้าไปเลยใจสงสัยรู้ว่าสงสัย เราจะเห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความรู้สึกอื่นๆก็แบบเดียวกันทั้งหมดเลยพาจิตให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิน้นเห็นจนวันหนึ่งจิตยอมรับความจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานั้นถึงเวลาแล้วก็ดับทั้งหมดเลย ความสุขเกิดขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วถึงจุดหนึ่งก็ดับไปความดีเกิดแล้วก็ดับความชั่วเกิดแล้วก็ดับร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายในร่างกายนี้เดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยนอนเปลี่ยนไปเรื่อย เดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าการหายใจออกก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับการหายใจเข้าเกิดแล้วก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับการยืนเกิดแล้วก็ดับการนั่งการนอนการเดินเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูอย่างนี้เรื่อยๆทั้งความรู้สึกทางใจทั้งร่างกาย ก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเมื่อใจยอมรับความจริงตรงนี้ใจจะเข้าถึงธรรมะเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันพระโสดาบันจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรในการเห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไป ท้าเมไรเราเห็นว่าทุกอย่างมันอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปเนี่ยต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเราจะไม่หวั่นไหวอย่างความสุขเกิดขึ้นมาเรารู้ว่ามันต้องดับพอความสุขผ่านไปเราก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่เสียใจเวลาความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่าเรื่องธรรมดา เดี๋ยวความทุกข์ก็ต้องดับจนได้แหละเราก็ไม่เศร้าโศกไม่เดือดร้อนใจที่กาลังมีความทุกข์อยู่ต่อไปร่างกายนี้แก่ทุกคนต้องแก่ร่างกายแก่เราก็เห็นว่าร่างกายมันอยู่ได้ชั่วคราวเป็นเรื่องธรรมดามันแก่เราก็เลยไม่ทุกข์ร่างกายเวลามันถูกบีบคั้นนะัมันเจ็บป่วย มันก็เรื่องธรรมดาจนถึงมันตายมันก็เรื่องธรรมดาเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นใจเราไม่หวั่นไหวเงนั้นไม่หวั่นไหวเนี่ยไม่หวั่นไหวด้วยปัญญาเห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวกระทั่งความสุขในใจเราก็เห็นว่าชั่วคราวเราก็ไม่ดิ้นรนที่จะหาความสุข ความทุกข์ทางใจก็ของชั่วคราวไม่ต้องดิ้นรนเพื่อจะละความทุกข์การที่จะสมหวังหรือผิดหวังก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่เราจะต้องพลัดพรากจากคนที่เรารักพลัดพรากจากกระทั่งร่างกายของเราเองนะถึงวันหนึ่งเราก็พลัดพรากทรัพย์สมบัติครอบครัวลูกเมียถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพราก มันเคยเห็นแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับมันก็จะเห็นว่าความพลัดพรากนี้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะใจมันจะไม่ทุกข์ทุกข์ก็ทุกข์น้อยทุกข์ไม่มากถ้าหัดภาวนามากกว่านั้นนะเห็นความจริงเลยยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะเห็นว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมานะั้นะมีแต่ทุกข์ ร่างกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จะเห็นถึงขนาดนี้ถ้าเห็นถึงขนาดนี้เนี่ยจะเกิดอาการของจิตจิตจะสลัดความยึดถือกายยึดถือจิตทิ้งมันเหมือนจิตเนียพรากออกจากร่างกายแยกออกไปจากร่างกายจากความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเข้าสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ ในภาว่าอันนั้นจิตชนิดนั้นท่านไว้หลังเรียกว่าจิตเดิมแท้ท่านพวงโปรเรียกว่าจิตหนึ่งถ้าทางไทยครูบาอาจารย์อย่างท่านพุทธทาสท่านก็เรียกจิตเดิมแท้หลวงปู่ดูลเรียกจิตหนึ่งหลวงปู่เทพเรียกว่าใจสมเด็จพระญานสังวรท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุ หลวงตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุเรียกชื่อต่างๆกันเป็นภาวะอันเดียวกันนะภาวะอันบริสุทธิ์ของจิตนั่นเองจิตดวงนี้จะมีแต่ความสุขเพราะไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกต่อไปต่อให้โลกถล่มลงต่อหน้าต่อตาจิตนี้ก็ไม่สะเทือนเลยยิ่งถ้าเราฝึกนะจนเข้าถึงภาวะแห่งความพ้นทุกข์สิ้นเชิงได้ในชีวิตนี้ก็ฝึกไป ถ้ายังทำไม่ได้อย่างน้อยธรรมะขั้นต้นขั้นโสดาบันควรจะได้ถ้าปฏิบัติถูกนะปฏิบัติพอสองข้อทำให้ถูกก็ทำให้พอทำให้ถูกจิตต้องถูกก่อนจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูดูอะไรดูความจริงของกายดูความจริงของใจแล้วก็ดูให้มากพอนานๆดูทีไม่พอ ดูบ่อยๆรูปบ่อยๆตอนหลวงพ่อเป็นคารวะหลาย10ปีมาแล้วนะ30มสิบสาสบหัวปีแล้วตอนนั้นก็หัดภาวนาจเจริญปัญญานี่แหละดูจิตเกิดดับหลวงพ่อดูตั้งแต่ตื่นนอนตื่นนอนมานึกขึ้นได้วันนี้วันจันทร์ขี้เกียจไปทํางานถ้าเป็นนักศึกษาวันจันทร์ขี้เกียจไปเรียน วันจันทร์กล่มรู้สึกตื่นปุ๊บนึกได้วันนี้วันจันทร์ใจเป็นอย่างนี้เลยวันพุธสุดเสงวันพฤหัสเริ่มจะมีความสุขวันศุกร์นี่กรดีกระดาเนี่ยดูเข้าไปวันศุกร์นะสดชื่นตั้งแต่เช้าทั้งๆ ท, ที่ยังต้องทำงานยังต้องเรียนแต่สดชื่นแล้วจะได้เวลาหยุดละถ้าตื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็ยังผ่อนคลาย นึกได้ว่าวันนี้วันอาทิตย์นะใจชักแห้งๆแล้วยิ่งตอนบ่ายวันอาทิตย์เนี่ยจะเหงาเงาเซงเซงนะเบื่อพอถึงวันจันทร์ก็เริ่มขี้เกียจเข้าวงจรใหม่เนะนี่ยแค่ตื่นนอนนะความรู้สึกเป็นยังไงรู้ทันตื่นขึ้นมาแล้วไปล้างหน้าล้างตาไปอาบน้ําสมัยก่อนไม่มีเครื่องทำน้าร้อนอะไรอย่างยุคนี้หรอกนะ ถ้าหนาวจริงๆต้องต้มน้ําไปอาบถ้าไม่ได้ต้มน้าําอาบอาบน้ําในตุ่มหน้าร้อนน้ําในตุ่มเนี่ยมันจะเย็นน้าในตุ่มดินเมืองจีนมีไหมตุ่มน้ํามีเนาะภาษ า, า, าแต้หวันเรียกเรียกตมเรียกตุ่ ม, มน่าจะคําเดียวกันพอหน้าร้อนเราเห็นจะไปอาบน้ําเห็นน้ําในตุ่มเราก็ดีใจละมันเย็นดี พอหน้าหนาวเห็นน้ําในตุ่มสยองเลยยังไม่ทันถูกน้ําก็สยองแล้เนี่ยคือการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะแค่อาบน้ําก็ได้ปฏิบัติแนละ้น้ําขันแรกสมมติเย็นมากกลัวมากขันต่อต่อไปความกลัวจะค่อยๆลดลงนะพอขันท้ายๆเนี่ยจะเริ่มดีใจอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวตัวจะอุ่นจะเกิดความอุ่นขึ้นมารู้สึกมีความสุขเนี่ยรู้ทันความรู้สึกไปด้วย แต่งตัวไปทำงานเห็นร่างกายมันแต่งตัวนั่งรถไปทำงานเจอรถติดรถติดก็เสงมากเลยกังวลใจกลัวว่าจะไปไม่ทันเห็นใจที่กังวลพวกนักศึกษาเวลาสอบเช้าเช้ากังวลไหมกลัวไปไม่ทันทั้งทั้งที่ทันแล้วก็สอบตัตอยู่ดีก็ยังกลัวนะ <laughs> ก็ลักลัวไปไม่ทันพอไปถึงหน้าจุฬาได้นะยังเหลือเวลาดีใจก็ดีใจเข้าห้องสอบไดนะ้เห็นข้อสอบใจแป้วเลยไอ้ที่ท่องไว้ไม่มีเลยเนะนี้ยรู้ทันใจของตัวเองไปเรืนะ่อยเจอข้อสอบโอ้ยอันนี้ท่องไว้แล้วจําได้นะสบายใจมีความสุขก็ขยิมยิ้มย่อง สอบเสร็จออกจากข้อสอบทําได้นะปลื้มใจตอนที่ทําไม่ได้นะกวนกวายใจรู้ไปเรื่อยไปกินข้าวเดินเข้าไปในโรงอาหารแม่ค้าทุกคนจะขายของเหมือนกันทุกวันโดยธรรมชาตินะไอคนนี้ขายข้าวมันไก่ก็ขายแต่ข้าวมันไก่ไอคนนี้ข้าวหมูแดงก็ข้าวหมูแดงอะไรเงี้ยไม่ค่อยพัฒนานะ เราไปเห็นถ้าเราเป็นนิสิตใหม่ๆก็ยังน่ากินร้านนี้ยังไม่เคยร้านนี้ไม่เค ย, นน ย, เคยอยากลองอยู่หลายๆปีแล้วปีสี่อย่างนี้เห็นแล้วก็เซ็งเซ็งนะกินๆเป็นงั้นแนหะเวลากินเจอของอร่อยชอบใจเจอของไม่อร่อยไม่ชอบใจส่วนชอบกินไข่เจียววันนี้แม่ค้าทําไข่เจียวร้อนๆกับข้าวร้อนๆมาแถมน้ําปลาพริกด้วย ชอบปรากฏว่าพอชิมเข้าไปนะวันนี้แม่ค้าทะเลาะ ก, กับสามีมานะทอดไข่เจียวนะลืมใส่น้ำปลาจืดสนิทเลยเหมือนไข่ตุ๋นมากกว่านะจากที่กำลังดีใจว่าจะได้กินของโปรดนะกลายเป็นว่าไม่พอใจของมันไม่อร่อยเนี่ยใจเราจะพลิกตลอดเวลานะสรุปแล้วนะใจเราจะเปลี่ยนเมื่อตามองเห็น ใจเราเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงใจเปลี่ยนเมื่อจมูกได้กลิ่นใจเปลี่ยนเมื่อลิ้นกระทบกระรสใจเปลี่ยนเมื่อมีของมาสัมผัสร่างกายนะใจเปลี่ยนเมื่อใจมันคิดคิดนึกปรุงแต่งให้เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นหลักของการดูใจให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้นะอย่าไปรอดู รอดูไม um si si um si ่ได hmm. ้นะดูจิตเนี่ยห้ามรอดูก่อนดูไม่รอดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยดูระหว่างดูดูห่างๆอย่าถลเขก็ไปดูใจเราอยู่ต่างหากความรู้สึกอยู่ต่างหากแยกกันพอดูแล้วนะเห็นความรู้สึกอันนี้ดีชอบใจให้รู้ทันเห็นความรู้สึกที่ไม่ดีไม่ชอบใจให้รู้ทันให้รู้ทันที่ใจที่ชอบที่ไม่ชอบ ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วก็จะดูทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางในเวลาที่เราเจริญสติเจริญปัญญานั้นมีวิธีการตั้งมากมายนะเปลือกมันรูปแบบมันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแต่หลักของการเจริญปัญญามีประโยคเดียวที่หลวงพ่อสรุปออกมาให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีอะไรเป็นตัวรู้มีสติเป็นตัวรู้นะสติทําหน้าที่ระลึกรู้อะไรเกิดแล้วก็รู้เอานะสติไม่ได้ทําหน้าที่เปรเพ่งเปรจ้องนะให้มีสติไปรู้นะรู้อะไรรู้กายรู้ใจไปรู้อย่างอื่นใช้ไม่ได้เมื่อรู้กายรู้ใจแล้วต้องรู้ให้ถึงความจริงของกายของใจคือเห็นไตรลักษณ์ ความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นเรามีสตินะรู้กายรู้ใจแล้วก็มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์สติเป็นตัวรู้กายรู้ใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่ปัญญาจะเกิดต้องมีเงื่อนไขจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ได้มีเงื่อนไข ที่จะเกิดปัญญาได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องจิตที่มีสมาธิถูกต้องนะก็คือตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางจิตของคนทั่วไปไม่ตั้งมั่นไหลตลอดเวลากระทั่งคนไปเข้าฌานยังไปดูลมหายใจจิตจะอุตสาหา์ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าจิตไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจทำวิปัสสนาไม่ได้จิตต้องถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะ แล้วก็ต้องดูด้วยความเป็นกลางด้วยไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เลือกอารมณ์ไม่ใช่ว่าต้องเจอแต่อารมณ์ที่ดีต้องปฏิเสธอารมณ์ไม่ดีอารมณ์อะไรก็ได้นะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรก็ไดนะ้เมื่อเรากระทบอารมณ์แล้วนะรู้อย่างเป็นรู้อย่างใจอยู่ต่างหากไม่คลุกเข้าไปในอารมณ์เรียกว่าตั้งมัน่นรู้แล้วเป็นกลางแต่เบื้องต้นยังไม่เป็นกลางหรอก เบื้องต้นมันรู้อารมณ์แล้วมันก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างอย่างรู้ความสุขก็ยินดีรู้ความทุกข์ก็ยินร้ายห้ามมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องห้ามให้รู้ทันว่ามันยินดียินร้ายความยินดียินร้ายจะดับเองพอมีสติไปรู้ทันความยินดียินร้ายจะดับจิตจะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางด้วยอานาจของสติการตั้งด้วยอานาจของสติเนี่ยอยู่ชั่วคราว ก็ต้องดูไปเรื่อยซ้ําแล้วซ้ำอีกนะจนวันหนึ่งจิตฉลาดจิตมีปัญญารู้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวคราวนี้มันจะตั้งด้วยปัญญาละมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาเพราะมันรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวงั้นสุขมาก็ไม่หลงยินดีทุกมาก็ไม่หลงยินร้ายจะเป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วจุดนี้คือประตูของการบรรลุอริยมรรค จิตจะมีปัญญาในระดับที่เห็นความปรุงแต่งทั้งหลายนะเข้าใจความจริงของความปรุงแต่งทั้งหลายนะด้วยใจที่มีอุเบกขาปัญญาตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารูปเบกขายานสังขารคืออะไรรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งปวงเรียกว่าสังขารมีอุเบกขามียานคือปัญญา อาศัยการที่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเรื่อยๆมาเนี่ยสุดท้ายจิตจะเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาด้วยปัญญาจิตจะหยุดการดิ้นรนชั่วขณะนะถ้าบุญบา ร, รมีของเราพอศีลสมาธิปัญญาของเราดีพอจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิด้วยตัวของตัวเอง mm hmm. เราไม่ต้องคิดจะเข้าฌานเลยเกิดมาไม่เคยเข้าฌาน แต่นาทีนั้นจิตจะเข้าฌานเนะมื่อจิตรวมเข้าถึงอัปปนานสมาธิแล้วเนี่ยจิตจะไปเดินปัญญาในชั้นละเอียดในสมาธิจะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับขึ้นสองสามขณะเท่านั้นเองไม่นานเมื่อเห็นสภาวะธรรมเกิดดับสองสามขณะนะจิตมันมีปัญญามากมันก็เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะจิตจะปล่อยการรู้สภาวะ จะทวนกระแสะเข้าหาจิตเรียกว่าจิตมันเข้าไปถึงจิตจริงๆแล้วคราวนีนะ้แต่เดิมจิตมันไปรู้อารมณ์ตอนนี้จิตมันทวนเข้ามาถึงจิตอริยมรรคก็เกิดขึ้นนะมันจะแบกสิ่งที่ห่อหุ้มจิตออกไปความมืดดำอาสวะกิเลต ท, ทั้งหลายจะถูกแบกออกโชั่วคราวศีล ส, สมาธิปัญญาและคุณงามความดีทั้งหลาย ร, รวมตัวลงที่จิตดวงเดียวกันในเวลาเดียวกัน ลงไปทำลายกิเลสส่วนลึกในจิตใต้สำนึกที่เรียกว่าสังโยชน์นะเบื้องต้นจะทำลายลงไปทำลายนะจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนเลยนะละสักยทิฐิได้คือรู้ความจริงแล้วว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายไม่ใช่เราไม่มีเราในรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายไม่มีเรานอกเหนือจากรูปธรรมนามธรรม ท, ทั้งหลายด้วยนะ ก็พบว่าไม่มีเราเลยเนื้อล้างความเห็นผิดสิ้นเชิงเลยนะแล้วก็หมดความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัตินี้ทำยังไงพระพุทธเจ้ามีจริงไหมอะไรไม่สงสัยอีกต่อไปละเราเห็นธรรมะของจริงลนะรู้ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่รูปรปคลำค ล, คลถือศีลบําเพ็ญปลดละอย่างงมงายนะอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาอาศัยการทําวิปัสสนากรรมฐานมาหาเป็นเส้นทางเดิน ที่พุทธเจ้าประทานให้ก็เข้ามาสู่ความเป็นพระริยาบุคคลนะครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเรียกว่าสกิทาคามีสติจะเร็วเร็วมากเลยนะใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกเพราะฉะนั้นกิเลสจะเบาบางเพราะกิเลสมันเกิดตอนทีเฟลอนะสติเร็วมากเลยมันเกิดไม่ไหวกิเลสเกิดไม่ไหวต่อไปปัญญาแก่รอบนะครั้งที่3มเนี่ย จิตจะสลัดคืนกายให้โลกต่อไปนี้กายกับจิตเนี่ยจะไม่รวมกันอีกต่อไปลนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอะไรทั้งสิ้นเลยนะขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะรวมลงที่จิตอีกทีหนึ่งนะการภาวนาเนี่ยจะตัดมันวางกายแล้วมันจะเข้ามาลงที่จิตถ้าวันใดที่บารมีแก่กล้าพอนะเคยได้ยินได้ฟังธรรมะมาก่อนนะว่า ว่าตัวจิตผู้รู้ที่ว่าดีวิเศษที่เราพยายามจะมีตัวผู้รู้เนี่ยนะสุดท้ายตัวนี้เราคือตัวจิตที่ครอบครองอาวิชาอยู่เอาวิชาอยู่ที่ตัวจิตผู้รู้นี่เองส่วนพวกเราเนี่ยมีแต่จิตผู้หลงเป็นส่วนใหญ่อาวิชาเนี่ยยังไม่ไม่โชว์มาให้ดูนะคล้ายๆจักระพัดของวัตตะถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆนะมันจะ ทะลุทะลวงลงไปที่จิตนะหลวงปู ด, ดูลท่านบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคอันนี้ท่านพูดแบบออมๆถ้าพูดเต็มยศนะเขาบอกจิ ต, จตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอารหัตมรรคเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นยังไงจิตนี้คือตัวทุกข์จิตนี้ไม่น่ายึดถือเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันไม่ใช่ตัวเราตัวมันเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยตัวนี้เกินปัญญาที่จะคิดนะคิดไม่ได้ ต้องภาวนาเอาแต่ถ้าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยพอเรามาถึงขั้นพระนกขาแล้วจะเสร็จอยู่ตรงนี้ละส่วนใหญ่นับปฏิบัติไปไม่รอดละหลวงพุดุลเคยบอกหลวงพ่อนะว่ากระทั่งครูบาอาจารย์ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนใหญ่ได้แค่นี้เองไม่สามารถปล่อยวางจิตได้เพราะไม่รู้ว่าต้องปล่อยวางจิตก็นะจะไปสงวนรักษาจิตเอาไว้ท่าบอกเหมือนงูจงางหวงไข่นะรักษาอย่างดีเลยไม่รู้หรอกว่านอนกอด ตัวศัตรู้ายอยู่ที่นี่เองจักระพัดของวัตตะอยู่ที่จิตนี่เองถ้าสติปัญญาแทงทะลุลงไปในอริยสัจ ร, รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ไม่มีสงวนส่วนหนึ่งเป็นสุขอยู่แต่เดิมจะเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวสุขยิ่งเป็นจิตผู้รู้นี่มีความสุขมากยิ่งสงวนว่ามีตัวสุขอยู่แต่พอปัญญาแก่รอบจะรู้ว่าตัวจิตผู้รู้เองเป็นตัวทุกข์ รู้อย่างนี้มันจะสลัดคืนจิตให้โลกนะจะสลัดจิตผู้รู้ทิ้งไปเลยคราวนี้เข้าสู่ความเป็นธรรมธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นจิตเดิมแท้เป็นจิตหนึ่งอะไรแล้วแต่จะเรียกกันแท้จริงไม่มีคำเรียกหรอกอาศัยบัญญัติขึ้นมาเรียกทีหลังหรนะชีวิตที่เหลืออยู่จะเป็นชีวิตที่สบายที่สุดเลยนะเมื่อรีบรีบบรรลุพระอรหันต์ซะเราจะได้ลาบากแต่ขัน ขันเป็นตัวทุกนะแต่ทุกเข้ามาไม่ถึงจิตหนึ่งนี้หรอกคำว่าจิตหนึ่งเนี่ยมันดีนะคำว่าจิตหนึ่งคือมันเป็นหนึ่งไม่ใช่เป็น2อะไรที่เป็นจิตสองจิตสุขจิตทุกก็เป็นสองจิตดีจิตชั่วก็เป็นสองนะจิตภายในจิตภายนอกก็เป็นสองนะจิตหยาบจิตละเอียดก็เป็นสองจิตในปัจจุบันกับจิตที่ไม่ใช่ปัจจุบันก็เป็นสอง จิตหนึ่งไม่มีสภาวะที่เป็นสองนะพวกเด็กๆนะหรือคนจีนทั้งหลายนะฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วพอนาไปชาตินี้อย่างน้อยควรจะได้โสดาบัตนะอย่างต่ำนะขั้นต่ำแต่ถ้าพอนาแล้วมันไม่ได้จริงๆก็อย่าเสียใจนะต่อไปไปเจอพระศีระยะเมตไตรฟังธรรมปุ๊บแล้ว ป, ปิ้งเลยง่าย เพราะมันเคยเจริญสติเจริญปัญญาถ้าไม่ไม่เจริญตั้งแต่ตอนนี้นะชาตินี้ก็ไม่ได้ไปเจอพระสียานก็ทำไม่ได้อีกแหละเพราะว่ามันเหลวไหลมาตั้งแต่ชาตินี้ละงั้นหัดเจริญสติเจริญปัญญาให้มากนะถือศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้จิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้นะแล้วก็เห็นธาตุเห็นขันเห็นกาเห็นใจแยกกันออกไปต่างคนต่างทางาน ร่างกายกับจิตเป็นโคล่านความสุขความทุกข์กับร่างกายก็โคลาอันความสุขความทุกข์กับจิตก็โคลานกุศลอกุศลก็ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะตัวจิตก็อยู่ต่หากทําหน้าที่ของจิตคือการรู้อารมณ์เนี่ยฝึกเจริญไปเรื่อยนะจะเห็นในรูปคือร่างกายความสุขความทุกข์ความจําได้หมายรู้ความปรุงดีความปรุงชั่วความรับรู้คือจิต ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยความเป็นตัวตนจะไม่มีการที่เราแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นห้าส่วนแล้วจะพบว่าแต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราอันนี้คล้ายๆอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันเราคิดว่ารถยนต์มีจริงๆเราจับรถยนต์มาถอดเป็นชิ้นๆนะตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์ลวใช่ที่นั่งเบาะที่นั่งก็ไม่ใช่รถยนต์ลลูกล้อก็ไม่ใช่รถยนต์ ฝาครอบล้อก็ไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ถอดเป็นชิ้นๆแล้วรถยนต์หายไปเลยไม่มีรถยนตนะ์มีแต่อะไรที่เป็นกองกองกองๆองก็คือคําว่าขันนั่นเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยพอถอดออกเป็นส่วนๆแล้วแต่และส่วนจะไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันวิธีการอย่างนี้เรียกว่าวิพัฒชวิธีวาเวนสระอิพอสัมเภาไมน า, ากาศชอช้าง วิพัตชวิธีเป็นวิธีของพระพุทธเจ้าที่จะทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่งั้นต้องไปแยกขันนะจะแยกขันได้ใจต้องเด่นดวงเข้ามาเป็นแค่คนดูเห็นขันมันทำงานและเห็นทั้งขันเห็นทั้งใจเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนก็ะจะได้ธรรมะหรอกเทศส่งท้ายให้นะจะไปตรวจกันบ้านค่ะก็ เมื่อวานหลวงพ่อให้กันบ้านไว้บอกว่าจิตยังไม่ถึงฐานแล้วก็จิตลุนออกไปข้างนอกอะคะ่ะก็ตอนบ่ายก็ยังดูไม่เห็นนะคะมาเห็นตอนเย็นๆแล้วละะอะไรอย่างนี้ค่ะก็ยังดีนะวันเดียวเห็นแล้ว <c oughs> ก่อนนันนี้จะมีปัญหาเรื่องที่บอกว่ารู้สึกไหมว่ า, วาพอเรารู้ว่าจิตออกนอกจิตมันเข้าบ้านแนละ้วมันถึงฐานบางคนมาถามว่าจิตถึงฐานเป็นยังไงโอ้บรรยายไม่ถูกนะ ให้รู้ฐานจิต ท, ที่ไม่ถึงฐานเนะี่ยพอรู้จักจิต ท, ที่ไม่ถึงฐานเนี่นะมันก็ถึงฐานเองแหละมันเหมือนมาถามว่าทุเรียนรสชาติเป็นยังไงใครจะไปบรรยายได้ใช่ไหมค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาที่ว่าพอมันเหมือนมีดตื้อๆข้างในอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะติดก็จะดินดินดินแล้วก็ที่หลวงพ่อเทศเมื่อวานบอกว่า <c oughs> ถ้ารู้ลงไปตรงๆมันก็จะหายอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันก็มีมีตอนที่รู้ได้ตรงๆแล้วก็หายจริงๆอืค่ะไม่หลอกหรอก ที่พูดเนี่ยนะเชื่อมั่นแล้วล่ะถึงได้เอามาเล่าให้ฟังค่ะหลวงพอ่อมีการบ้านให้เพิ่มเติมไหมคะรักษาศีลให้ดีนะดีที่สุดเท่าที่ทำได้ทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติอย่างน้อย15นาทีไว้พราสวดมนต์สองสามนาทีพอแล้วก็ทำกรรมฐานไปแล้วก็รู้ทันจิต ท, ที่หนีไปนะเวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจวัน การเจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตจำบันนี้สําคัญมากเลยเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราอยู่ข้างนอกนี่ถ้าเราเก่งเฉพาะตอนนั่งสมาธินะอยู่ข้างนอกนี่ทําไม่เป็นนะ้ําวันหนึ่งได้ปฏิบัตินิดเดียวมจะนั่งสมาธิสักเท่าไหร่ไ ม, ม่กี่ชั่วโมงรหรอกอย่างมากอยู่ข้างนอกเนี่เป็นส่วนใหญ่ในชีวิตตรงนี้ต้องทําให้ได้นะจะได้ปฏิบัติทั้งวันเลยค่ะขอบคุณค่ะปฏิบัติแล้วยิ้มได้ไหม ยิ้มได้หัวเราะได้ไหมร้องไห้ได้ไหมได้อะไรก็ได้ไม่ต้องมารยามากนะบางคนเป็นนักปฏิบัติเนี่ยยิ้มก็ไม่ได้นะหน้าบึ้งก็ไม่ได้ว่ามีโทสะยิ้มก็ไม่ได้ว่ามีโลภะนะจะทําหน้าอีท่าไหนวะต้องยิ้มน้อยๆสมมติ ว, ว่าหิวน้ํามากเลยนะอยากกินน้ําอยากกินน้ํารู้ว่าอยากอันนี้ก็ดีนะใช้ได้ แต่ไปก็ค่อยๆขยับอุยหลายชั่วโมงยังไม่ได้กินน้ำนะไตวายไปก่อนนะครูบาอาจารย์นะจะไม่มีมารยาเลยนะพระอรหันต์แต่ละองค์แต่ละองค์ท่านไม่ได้มาทำอะไรตุ้มๆเตียมๆหรอกนะอย่างพระสารีบุตรเดินไปเจอท้องร่องโดดเลย โดดข้ามเลยไม่ใช่พบเจอท้องล่องอยากข้ามทํำยังไงจะข้ามได้โลบหรือเปล่าเนี่ยจะข้ามโอ้ยไม่ได้ไปไหนหรอกคราวนี้หมดไปฉันเพล น, นะอีกวันหนึ่งจะไปไม่ถึงเลยนะท่านโดดตุ้บเลยครนะูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์นะต้องไปดูในประวัติภาษาวกประวัติอะไรนะกริยาท่าทางแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอก นะคำพูดคำจาไม่เหมือนกันบองค์ก็พูดเพลาะารองค์พูดไม่เพลาะมีพระอาหันองค์หนึ่งเจอใครก็เรียกไอ้ถอยถ้าผู้หญิงมาหาก็นะว่าไงาอีถอยคนไปฟอ้องพุทธเจ้าเลยว่าร้ายเหลือเกินพูดจาหยาบคายฉันบอกมันเป็นคาว่าวาสนาความเคยชินของจิตเคยชินที่จะมีพฤติกรรมทางกายทางวาจาอย่างนี้อันนี้ไม่หายหรอกนะคนที่ทาภาวนาแล้ว วาสนาหายได้มีพระพุทธเจ้าสาวกทําไม่ได้หรอกงั้นภาวนาไปสบายๆไม่ต้องมานยามากนะไม่ต้องวางฟอร์มฉันเป็นนักปฏิบัตินะต้องทําอะไรก็ต้องไม่เหมือนชาวบ้านเดินก็ไม่เหมือนชาวบ้านนั่งก็ไม่เหมือนนอนก็ไม่เหมือนพูดก็ไม่เหมือนนะอ่ะว่ามาวันนี้ดีใจจะได้กลับบ้านคไงโอสารภาพมาตรงๆ <laughs> ภาวนาแล้วไม่เห็นอะไรอะค่ะไม่ทราบว่ามันกดหรือว่าอะไรอะก็หนักไหมล่ะหนักก็ดูได้หนักไม่หนักมันแน่นไหมมันไม่เห็นเลยอ่ะหนูมองไม่เห็นนะคะแต่รู้ว่ามันมันมันทื่อๆมันทื่อๆใช้ไม่ได้หรอกนะจิตมนสุดตรงไปข้ามบังคับตัวเองแต่ไม่เห็นว่ากดนะค่ะไม่เห็นไม่อะไรรู้ว่าทื่อก็ยังดีนะทื่อเป็นผลละะการกดเป็นการกระทํา เบื้องหลังการกระทำนะํำคืออยากดีก็เรียกว่ากิเลสกรรมวิบากอยากดีก็เกิดการกระทํากรรมคือการกดพกดแล้วเกิดวิบากคือแน่นๆเป็นทุกขนะ์เอออยู่วัดก็ใต้แดงก็ถูกแล้วละ่ะจะทําทต่ออยู่บ้านก็พยายามทําให้เหมือนอยู่วัดน้มัศการเจ้าค่ะ ยังมีมายาอยู่ใช่ไหมโอ้ดีที่เห็นมันห้ามยากนะรู้จักคําว่ามายางเขาไหมมายาหมายถึงมันมันวางฟอร์มอย่างเวลาเราเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี้ยเราจะคุยกับเขานะเราต้องวางฟอร์มแบบหนึ่งเราไปเจอศัตรูเราเราต้องวางฟอร์มอีกแบบหนึ่งนะถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เจอลูกต้องวางฟอร์มอย่างนี้เป็นลูกไปเจอพ่อเจอแม่ต้องวางฟอร์มอย่างนี้ เ, น เ, พ เ, นเพื่อให้ดูดี พยายามลอกเปลือกลอกเปลือกตัวเองออกนะที่สร้างครอบคลุมตัวจริงเอาไว้ตัวจริงแต่ละคนร้ายร้ายโคต ร, คตรเลยมันไม่ดีอย่างที่ทำภาพหลวงตามาหลอกตัวเองก่อนแล้วหลอกคนอื่นทีหลังนะงั้นดูตัวจริงให้เห็นนะขุดคุ้ยมันขึ้นมาสังเกตไหมว่าโลกมันห่างออกไปถ้าใจเราไม่เข้าไปคลุกกับมันนะมันก็ไม่ทุกข์หรอก ถ้าใจเราเข้าไปคลุกมันก็ถุกต่อน้ำมันสะัการขอรายงานการปฏิบัติค่ะหพ่อคือว่าเพิ่งจะมาอยู่วัดครั้งแรกก็เห็นถึงความฟุ้งซ่านแล้วก็เออจิตที่ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างตอนกัางคืนเนี่ะคะ่ะปรุงความกลัวอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่พอเสพ้พระเนี่ก็ในวัดนี้นไม่มีอะไรน่ากลัวนะ มีแค่งูเหา่างูชงอางมีผีอะไรเงี้ย <laughs> เพรเอไม่ม <laughs> เ า, า <laughs> เพราะว่าปุง <laughs> ปุงขึ้นมาเองค่ะหลวงพ่อแล้วพอดูไปเรื่อยก็อ้าวไม่มีอะไรเลยก็ก็นีผีก็อยู่ส่วนผีไม่ยุ่งอะไรกับเรา <laughs> ใช่ค่ะหลวงพ่อ <laughs> ทั้งทจริงๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยแล้วก็ใจเห็นว่าเหมือนกับอย่างเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเช้าค่ะพอฟังจากหลวงพ่อเสร็จก็กลับไปที่ห้องพกักแล้วทีนี้ พยายามจะเหมือนแบบนั่งทําสมาธิก็ยังยังทำไม่ได้คือหลับตาไม่ได้ะคะ่ะฟุง้งฟุ้งตลอดเลยค่ะแล้วก็ก็เลยลืมตาขึ้นมามแล้วก็ก็ดีขึ้นแล้วก็สวดอิติกิโส่ะค่ะแล้วก็พอเสาร์พักก็เริ่มจะมนิ่งขึ้นคือถ้าเราอยากสงบจะไม่สงบคะนะทําเล่นๆ น, นะมันสงบง่ายเพราะสบายใจอยากสงบนะจิตฟุ้งซ่านจิตไม่มีความสุข งั้นเราไม่ได้ปฏิบัติมุ่งว่าจะต้องสงบทันทีนะเราแค่ปฏิบัติตั้งใจว่าบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปพุโทโธไปหายใจไปเดี๋ยวมันก็สงบเองอะแต่บางทีก็รู้สึกว่าบางทีจะเป็นแบบอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้วเอ้ยอย่างนี้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ค่ม ะ, ม, คะมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็จะรู้อย่างสมมติว่าได้ยินเสียงอย่างเงี้ยก็จะเออแล้วก็เหมือนกลับมาใหม่กลับมา อ, มอะไรอย่างนี้ค่ะเพจฝึกต่อไป คือหนูเริ่มฟังหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วและระหว่างนั้นก็ได้มีการฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็ได้มีการลองปฏิบัติบ้างวันนี้ได้อยากส่งการบ้านหลวงพ่อว่าสิ่งที่หนูปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือเปล่าค่ะเห็นกิเลสไหมรู้จักกิเลสยังรู้จักค่ะเยอะมากเห็นไหมกายกับใจเป็นคนละอันกันรู้สึกบ้างไหมรู้สึกบางครั้งเอารู้สึกบางครั้งใช้ได้ถ้ารู้สึกตลอดมันต้องระดับพระนาขาขึ้นไป <c oughs> รู้สึกบางครั้งก็ยังดีรู้สึกไหมว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วไหลามาไหลไปทั้งวันรู้สึกเวลาจิตมันไหลไปนูน่นนี่แบบไหลไปไวัยวัจะออรู้สึกใช่อย่างนั้นหนูก็ภาวนาถูกแล้วลนะ่ะทำต่อ ม, มีวันหนึ่งที่แบบกําลังคุยกับเพื่อนแบบสนุกสนานมากแล้วหยู่ดีๆจิตมันก็บอกเลยว่าแบบนี้จิตมีความสุขออพอเรารู้สึกตัวปลุกความสุขนั้นมันหายไปทันที มันเป็นความสนุกสนานที่เจือด้วยด้วยกิเลสนะตัวนั้นมีรา ค, าคะเราเพลิดเพลินพอใจเมื่อนทันทีที่สติเกิดราคาดับความสุขตัวนั้นดับไปด้วยต่จิตเกิดความสุขอีกแบบหนึ่งขึ้นมาความสุขจากความรู้สึกตัวนะดูเข้าไปเรื่อยนะขอการบ้านค่ะได้ฟังซีดีมานานเท่าไหร่ฟังซีดีประมาณเกือบปีอะค่ะแต่ไม่ได้ฟังทุกวันพอนานดีแล้วล่ะ ไปทำต่อเขาบอาเมื่อชีเมื่อชีนันทินุนจะเวลายกไปจะมีปัญหาแต่พอดีตันตโนนมาที่นี่จะหมดปัญหาหมดปัญหาถามครับนะครับ<อ>ที่จริงปัญหาไม่มีอะไรสงสัยรู้ว่าสงสัยอย่าไปคิดเยอะคิดมากยากนานภาษาไทยมีนะบอกคิดมากยากนานลําบากไปนานเลย ให้รู้เอานะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นให้รู้เอาธรรมัสการหลวงพ่อครับคือมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าเวลาดูกายเนี่ยเผลอไปเพ่งกายหรือว่ารู้สึกกายจริงๆอะครับดูง่ายๆนะถ้าไปเพ่งกายนะใจจะทื่อๆจะนิ่งทือๆเนี่ยครับถ้ารู้สึกกายจะรู้สึกด้วยใจที่ปกติครับผม แล้วก็อีกอย่างนึงคือเวลาเวลารู้ท่านความคิดนะครับบางทีก็ไม่แน่ใจว่ารู้ว่าคิดหรือว่าคิดว่าคิดเมื่อสักครู่อยงครับที่ฝึกมาตอนนี้เริ่มสังเกตไหมว่าความรู้สึกกับจิตเป็นโคนละานครับดูออกใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นมันต้องจิตต้องตั้งมั่นเป็นอยู่แล้วล่ะครับถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันมันไม่แยกหรอกครับเมื่อขันแยกได้แล้วก็เดินต่อไม่ต้องไปสงสัยแล้วว่าจิตมันตั้งมั่นไม่ตั้งนะถ้ามันไม่ตั้งมันมันแยกขันไม่ได้ครับ เมื่อขันแยกแล้วดูขันทํางานไปแต่ใจเป็นแค่คนดูไม่ถล่มเข้าไปนะไปฝึกต่ออ๋อนมัสการครับหลวงพ่อคือว่าทุกวันนี้นี่คือผมสามารถาจับอารมณ์ต่างๆได้เช่นอารมณ์โกรธสามารถจับได้ทันแต่ว่าผมสงสัยว่าทุกครั้งที่ผมสามารถจับอารมณ์ต่างๆได้เนี่ยมันจะมีเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นที่ผมสามารถเห็นทางเลือกสองทาง แล้วก็เอทางเลือกสองทางนั้นคือทางเลือกที่ที่ทําแล้วรู้สึกดีกับทําแล้วรู้สึกไม่ดีแล้วก็มันจะมีเหมือนกับเสียงที่เกิดขึ้นในหัวว่า<ม>เออทําสิ่งนี้มันจะไม่ดีนะ<ม>ทําสิ่งนี้จะดี<ม><ม>บางครั้งมันอาจจะไม่มาเป็นในรูปของเสียงบางครั้อาจจะมาในรูปของเออ่ความรู้สึก<ม>ถูกหรือผิดไปเองมมผมอยาถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือผมมโนเอาเองหรือว่าไม่ได้เป็นปกตินะตรงที่เรารู้สภาวะนะ แล้วก็จิตมันเป็นแค่คนดูเนี่ยตรงเนี้ยเราเดินปัญญาอยู่นะเราปฏิบัติอยู่ถัดจากนั้นเนี่ยพอกิเลสมันครอบงำจิตไม่ได้แล้วเราจะตัดสินว่าเราจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรเนี่ยด้วยเหตุผลนะเพราะฉนั้นตรงนั้นเป็นการใช้เหตุผลละไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยจะเป็นการเลือกทาง เ, าเส้นทางนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีไม่ทําก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ตรงนั้นไม่ใช่วิปัสสนานะครับ มันเป็นกระบวนการที่จะเลือกเส้นทางเดินเอาไว้ใช้ในโลกแหละคนในโลกนะมันปฏิบัติไม่เป็นอย่างใจโลภเพื่อมามองไม่เห็นนะก็เจ็บไปเล่นหุ้นนะเล่นตัวนี้แล้วว่าต้องรวยแน่เลยนะใจมันโลภนะมันไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยแต่ถ้าพอใจมันโลภรู้ทันว่าโลภค่อยดูเหตุผลแล้วคราวนี้ไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยน่าจะเล่นอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นนะจะเหลือเหตุผลละ แล้วไม่เศร้าผมควรทํำยังไงทําอะไรต่อปล่อยให้มันทํางานนะอย่าไปรักษาไว้ก็รู้สึกว่าเครียดตื่นเต้นแบบตื่นเต้นก็อันหนึ่งนะไม่อยากให้ตื่นเต้นแล้วไปบังคับให้ตัวเองนิ่งอะ่ะเป็นอีกอันหนึ่งนะตื่นเต้นได้แต่ไม่บังคับครั บ, รบนะปล่อยมันให้จิตมันทํางานเป็นอิสระให้ทําไปตามธรรมชาติการภาวนานะจะทําได้ผลดีต้องไม่รีบร้อน พอนาใจเย็นๆดูสภาวะไปเล่นๆดูสบายๆดูไปยังมีความสุขนะเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปจิตยินดีบ้างยินร้ายบ้างแต่ละอย่างแต่ละสภาวะนะรู้เล่นๆรู้ไปสบายๆอย่าไปรู้แบบเคร่งเนะครียดนะอย่าไปเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงเอาความจริงให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยถ้าดูไม่เห็นก็ช่วยคิดนำได้ ให้คิดนำได้เมื่อกี้คือจะถามแต่ว่าเมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้ว อ, อ้าวเหร อ, <c oughs> อค่ะก็คือสิ่งที่จะถามก็คือแบบว่าเวลาที่เห็นกายกับจิตอะไม่ใช่อย่างเดียวกันนะคะเออถูกมันมันมันเห็นจากการคิดนำมันไม่ได้เห็นเพราะว่าเห็น <c oughs> เห็นเพราะว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในหัวแล้วมันก็เห็นจริง <c oughs> <c oughs> เราไม่เอาความรู้มาใช้นะเราไม่เอาความรู้มาใช้เราเอาความรู้สึกเรารู้สึกเอา มันเหมือนเป็นการคิดนำอะหค่ะเบื้องต้นคิดนำได้แต่พอมันแยกเป็นแล้วมันจำได้ไว่ากายอย่างนี้จิตอย่างนี้โคราช น, นะแต่ไปไม่ได้คิดนำมันก็เห็นบางคนอยู่ๆรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมันไม่เห็นหรอก็ต้องคิดนำกลับน้ำสกานครับหลวงพ่อก็ขอโอกาสส่งการบ้านภายในรอบสามปีนะครับก็ที่ผ่านมานี่ก็ปฏิบัติโดย ส่วนมวล น, นะครับแล้วก็ดูจิตคือส่วนมวเอาบทส่วนมวเป็นราวกร่อนะครับแล้วก็ ด, ดูดูจิตที่มันแสสายไปก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีนะฮะใช้ได้ครับโชคดีตรงที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาวะหน้าที่การงานมันจะค่อนข้างหนักมากนะแล้วมันจะได้กระทบกับสะที่แรงแรงเบาๆบ้างตอนตอนแรกคิดว่าโชคายนะครับโอครับเวลาทำงานเครียดๆนะดีนะ ขยันภาวนารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นนะหลวงพ่อเคยเป็นออืคครับเแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้รักษาศีลได้ง่ายขึ้นนะครับผิดศีลได้ยากขึ้นนะเออดีแล้วครับะสมาธิก็ก็ดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าได้จิตที่ตั้งมั่นมาจากการมองสิ่งที่มันไม่ไม่มั่นคงมามาชั่วคราวนะครับเอครับผมเกี่ยวนั้นแหละครับอันนี้จริงๆไม่จําเป็นนะแต่ว่าอยากรู้นะครับว่า ตอนตอนที่กายหลับแต่จิตตื่นเนี่ยสามารถเป็นรู้ธรรมได้ไหมครับได้เพราะเราบรรลุด้วยจิตเราไม่ได้บรรลุด้วยกายครับแล้วแล้วแล้ก็ก็จะรู้เองว่าว่าเราบรรลุไปแล้วตรงนี้ต้องต้องประณีตนิดหนึ่งต้องตรวจสอบเพราะบางทีเกิดอาการแปลกๆล้วก็มั่วเอาว่าบรรลุแล้วหรือบางที่นะบางสํานักนะใครเข้าไปเรียนสามวันก็บรรลุหมดแล้วเขาตั้งให้ครับ เราต้องสำรวจตัวเองว่ากิเลสอะไรที่ละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละแต่การสำรวจกิเลสเนี่ยต้องสารวจในสภาวะที่ใจปกติอย่างนี้ถ้าใจไปทรงฌานอยู่นะั้นเราจะบอกตอนนี้ไม่มีราคะตอนนี้ไม่มีโทสะนัน ไ, ได้อนาคาอยู่ในะวัดไม่ได้ต้องใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดาอย่างนี้แนะแล้วดูว่ากิเลสตัวที่ควรจะไม่มีมันมีไหมอย่างความรู้สึกเป็นเราเนี่ยพระโสดามไม่มี ยังไม่รู้สึกว่ามีเราเลยแต่คำพูดว่าเรามีโดยบัญญัตมีเพื่อเอาไว้ติดต่อกับคนอื่นแต่โดยความรู้สึกนะไม่เคยรู้สึกเลยกลายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเรานี่แต่ถ้าเราไปทาใจทื่อๆอยู่ดูไหนเราอยู่ไหนอยู่ไหน mm. ก็ไม่มีเราอย่างนี้วัดอย่างนี้ไม่ได้น้วัดด้วยใจที่ธรรมดาที่สุดเลยอย่าเชื่อง่า ย, ยาปลอดภัยไว้ก่อนหลวงพ่อไม่ยอมเชื่อง่ายนะ ครับผมก็เคยมั่วเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่เชื่อง่ายๆแลครับต้องไม่เชื่อไว้ก่อนครับแล้วตรวจสอบเอานะครับ <นะ S 1> ครับขอบพระคุณครับกราบนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ เ, เคยมากราบหลวงพ่อครั้งแรกเมื่อ4ี่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขยันไม่ค่อย ป, ปฏิบัติคะ่ะออกนอกรูกนอกทางไปบ้างค <N> ่ะเออไปบ้างก็ยังดีไม่ไปหมด แล้วก็ครั้งนี้ขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะอยากได้คำแนะนำจากหลวงพ่อค่ะก่อนมาค่ะหลวงพ่อก็เลยกลัวค่ะก็เลยฟังซีดีเยอะมากแล้ว <laughs> ก็รู้ว่าจิตกลัวก็<อ>ค่ะพอพอดูกายกับดูจิตแยกกันนะคะก็รู้สึกว่าเหนื่อยเห็นว่าจิตมีความซับซ้อนสี่ห้าครั้งได้ภายในช่วงขณะเดียวค่ะใช่เปลี่ยนเร็วมากเลยทีนี้อพอเวลาเหนื่อยมากๆอะคะ่ะ ไปต่อไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อถ้าเหนื่อยเราก็หยุดไม่เดินปัญญาเราทําสมถะสมถะนี่เป็นที่พักผ่อนเมื่อใจเหน็ดเหนื่อยจากการเดินปัญญาเราก็ทําสวดมนต์ไปพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ได้นะหรือถ้าพุทโธมันสั้นไปก็ให้ยาวกว่านี้หน่อยกว่านี้ค่ะเพราะบางครั้งรู้สึกเลยค่ะว่าเวลาเหนื่อยจะต้องสูตรลมหายใจลึกๆยาวๆเหนื่อยแล้วกลับมาอยู่กับลมได้มาอยู่กับลมหายใจ เนี่ยให้สติจ่ออยู่กับลมไปเรื่อยไ ม, ไม่ไม่ดูจิตต่อแล้วไม่ดูกายต่อทีนี้วันแรกที่มาค่ะพอฟังฟังเทศหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติฝึกไปด้วยเออเกิดเกิดสภาวะครั้งแรกก็คือว่ารู้สึกรู้สึกเบื่อหน่ายอะค่ะเหมือนกับกายพอชาแล้วเดี๋ยวก็หายจิต พอไปดูจิตก็เห็นว่าจิตตามไปรู้เหมือนไปท้าทายว่าเออเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอพอลืมตาขึ้นมาค่ะก็รู้สึกเหมือนเบื่อหน่ายเหนื่อยด้วยเบื่อหน่ายด้วยแล้วก็เห็นว่าเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนไม่มั่นคงถาวร น, นะคะอพอพอลืมตาขึ้นมาค่ะหลวงพ่อได้คุยกับเพื่อนๆก็รู้สึกเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่อยาก ไม่อยากฟังความสุขน้อยความเศร้าน้อยรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองอะคะ่ะรู้สึกเหมือนเราประหลาดอะคะ่ะออนั่นแหละประหลาดอย่างนั้นดีทำยังไงต่อดีอะคะ่ะหลวงพ่อไปไปไปไม่ถูกแล้วค่ะตอนนี้จะไปไหนอยู่กับปัจจุบันนี่ <c oughs> ความสุขเกิดก็รู้ทุกเกิดก็รู้ดีเกิดชั่วเกิดก็รู้ไปจิตไหลไปก็รู้จิตตั้งมั่นก็รู้ <c oughs> เรียนซ้าอยู่ตรงนี้แหละค่ะไม่มีไปไหนนะ ไม่มีไปไหนหลวงพ่อคะมีคําถามะคะ่ะเมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าขันแยกออกมาแล้วอะคะ่ะแต่เวลาฟังซีดีหลวงพ่อพูดถึงการแยกขันบ่อยมากอะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าแยกยังไงอะคะ่ะจะแยกเป็นชิ้นๆเลยไหมคะไม่ไม่ต้อง <laughs> ถ้าแยกเป็นชิ้นๆ น, นะจงใจแยกเป็นสมถะนะอย่างผมไปทางคนเล็บฟันหนังแยกอย่างนั้นเป็นสมถะเลยมันแยกในความรู้สึกเท่านั้นเองมันจะรู้สึกว่ากายกับใจเนี่ยโค่นล้านกัน ความสุขกับจิตใจก็คนละอันความสุขกับร่างกายก็คนละอันโลบโกวธหลงกับจิตใจก็คนละอันอย่างเนี้ยไม่ต้องไปแยกไปอยู่ที่อื่นนะมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันที่เห็นได้ต้องจิตถึงต้องถึงฐานแต่จิตที่ถึงฐานก็ถึงได้เป็นคลาล์นะถ้าตอนไหนมันไม่ถึงฐานขันมันก็มารวมกันใหม่แต่ตอนมันแยกขันออกไปเราก็จะเห็นไม่มีเราสักอันเดียว ทำดีแล้วล่ะทำถูกแล้วการนมัสการหลวงพ่อคื อ, อ, อหนูได้ฟังซีดีของหลวงพ่อมาประมาณห้าปีค่ะครั้งนี้เป็นการส่งการบ้านครั้งแรกผลจากการปฏิบัตินะคะก็คือ จิตมีสติรู้กิเลสบ้างนะคะรู้สุกรู้ทุกบ้างดับได้เร็วบ้างดับได้ช้าบ้างแล้วไม่ฝึกดับนะค่ะแค่เขาดับเองมาดับไปเองะค่ะแต่บางทีก็ดับได้เร็วบางทีก็ช้าค่ะห้ามไม่ได้ค่ะแล้วบางครั้งก็จะละกิเลสได้บ้างบางครั้งก็ละไม่ได้ค่ะถูกแล้วนี่ถูกไหมคะถูกถูกถ้าหนูมาบอกหลวงพ่อลาได้หมดเลยหลวงพ่อไม่เชื่ออย่างนี้แสดงว่าเรามองได้ถูกความจริงแล้วนะ จิตถึงฐานบ้างไหมคะหลวงพ่อเห็นไหมว่าไกากระใจเป็นคนละอันเคยเห็นไหมเห็นในบางเวลาค่ะเออจิตถึงฐานบางเวลาค่ะกลาวในมัสการหลวงพ่อค่ะคือปฏิบัติมานานพอสมควรแล้วนะคะก็ระยะนี้เป็นระยะที่มีความรู้สึกว่ามีความฉันท้าแล้วก็มีความเพียรมากขึ้นมากมันทําให้ในชีวิตประจําวันเห็นความละเอียดมากขึ้นเยอะก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าสิ่งที่ต้องการในชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะค่ะมมไม่แน่ใจว่าหมกม<ำ>ุ่นเกินไปหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่กำลังพอดีอพอนานได้ถูกแล้วล่ะ <ขอ S 2> ต่อไปอจิตจะสะสมปัญญาไปนะนมันพอมันก็ตัดขอบคุณค่ะกลับนมัสการขลังพ่อโยงขอส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีค่ะ ก็พอนาไปแล้วมีเห็นกิเลส ท, ที่มันมาแรงขึ้นก็มีแล้วก็บางครั้งอกุศลมาถี่ถี่จนรู้สึกเหมือนกับว่าอากุศลเป็นเราค่ะแต่ว่าก็ดูไปบางครั้งก็ดูเฉยเฉยแต่ว่าหลายครั้งคือไม่เป็นกลางค่ ะ, คะใช้ได้ทั้งหมดเลยที่พูดมา<ะ>กิเลสมาแล้วรู้ก็ใช้ได้แล้วน ะ, ะไม่เป็นกลางแล้วรู้ก็ใช้ได้<ะ>นะแล้วก็มีเห็นดูดูไปแล้วมันมีความ กลัวกายกลัวใจในที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันหาความเที่ยงไ ม, มไม่ได้ไม่มีที่พึ่งหรอกค่ะเป็นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในการปฏิบัตินั้นถูกแล้วละ่ะค่ะให้รู้ทันว่ามันกลัวค่ะความกลัวก็อย่าแย ก, แยกออกอย่าฉิดเหมือนกับความรู้สึกอย่างอื่นนั่นแหละแล้ ว, ลวเราก็รู้ไปด้วยใจที่เป็นกลางต่อ อย่างภาวนาไปนี่บางทีเห็นเหมือนกับว่ามีความฟุ้งอยู่ในจิตอยู่เป็นเป็นแบ็เกราวข้างหลังอยู่เรื่อยๆถูกต้องมันปรุงทั้งวันนะทั้งวันทั้งคืนมันหมุนหมุนหมุนขึ้นมาถูกแล้วล่ะไปทำอีกของโยมต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกเปล่าคะหลวงพ่อความสงบพอไหมไม่ไม่พอค่ะไม่พอก็ทำเอานะค่ะพุทโธพุทโธไปก็ได้สวนมนต์ไปก็ได้นะ จ, จะไ่ได้มีแรง ก, การนมัสการหลวงพ่อค่ะคือว่าเมื่อชาวฟังทมแล้วก็เหมือนได้รับคำตอบแต่รบกวนออขอความเมตตาหลวงพ่อนะคะว่าถ้าหากว่าเรายังรักษาศีลได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยคะ่ะ ม, มันจะทำให้เราแบบขวางในการภาวนาไหมคะเพราะว่าบางทีจิตมันก็คิดไปว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็ผ่านไปแล้วแต่อีกใจหนึ่งมันก็ยัง ก็ยังลังเลว่าเออแล้วที่เราทาเนี่ยมันจะทำให้เราขวางในการภาวนาหรือเปล่าค่ะศีลเสียหายมากไหมไปฆ่าคนได้999้99คนยังไม่ค่ะเนาะองคุริมันฆ่าคนตั้ง999ความจริงฆ่าเกินนั้นนะั้นเราก็ไม่ได้นับก็เลยต้องมาตัดนิ้วมือไว้ได้9 9้เรายังไม่ได้ทำบาปเท่าท่านเลยไม่ได้ผิดศีลขนาด น, นั้นเลย ตรงที่ผิดศีลมันก็เป็นช่วงหนึ่งนะตรงที่มีศีลมันก็เป็นชีวิตอีกช่วงหนึ่งคนละช่วงกันนั้นเราพยายามช่วงไหนมีสติช่วงนั้นมันก็มีศีลขึ้นมาละนี่ถ้าทำผิดศีลมากต่อไปก็ต้องรับวิบากเยอะแต่ั้าเป็นพระอรหันต์นะไปทำไม่ดีไ้เยอะก็ต้องรับนะแต่ว่าภาวนาถ้าจิตมันตั้งมั่นขึ้มารู้เนื้อรู้ตัวดูรูปนามเกิดดับได้ในขณะนั้นศีลมันมีอยู่ล คาวาสนะ่ยจะให้ศีลบริสุทธิ์หมดจดร0อยเปซ็นต์ยากทุกคนนะ่ยศีลก็ะท่องกระแท่งแต่ก็อาศัยค่อยๆสะสมไปสะสมสติสะสมปัญญาไปด้วยศีลมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นตรงที่บรรลุมันไม่ใช่ว่าแหมมันเฟอร์เฟกแล้วบรรลุนะแต่มั น, มนบรรลุแล้วมันเฟอร์เฟกต์ต่างหงาค่ะขอบพระคุณค่ะคำนมัส ก, การครับหลวงพ่อครับ คือผมก็ได้ซีดีของพ่อมาเมื่อประมาณปีห้หช่วงเมษานะครับแล้วก็ฝึกปฏิบัติมาในช่วงแรกเนี่ยก็คือนึกสึกว่าตัวเองอะเพ่งมากเพราะว่าติดของเก่ามานะครับก็พยายามปรับปรุงแก้ไขมาเรื่อยๆก็เพิ่งมาเริ่มรู้สึกตัวรู้สึกกายในช่วง ปี57นี้ก็พยายามฝึกตนก็คือสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าทั้งเย็นนะครับประมาณ15ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ<อ>แล้วก็พยายามปฏิบัติในช่วงเวลาทำงานแต่ก็ทำได้น้อยมากเพราะว่างานก็มีความยุ่งมากนะครับก็แต่ก็ขอเล่าสภาวะอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเป็นลักษณะที่ว่าเล่นฟุตบอล น, นะครับแล้วก็บังเอิญว่าเราก็วิ่งมาอย่างเร็ว แต่ทีเนี้ยสติมันบอกคือเท้าเท้าซ้ายเนี่ยไปสะดุดกับอะไรกับพื้นหรืออะไรขึ้นมาสะดุดขึ้นมาแต่สมองมันก็สั่งไปว่าไ อ, อกขาอีกข้างหนึ่งมันก้าวมาไม่ทันแลยนะคุณล้มแน่เลยนะ mm. อะสติมเขาบอกแล้วก็ตัวเองก็ล้มไป mm. แต่ก็เป็นพื้นหญ้าไม่ไม่เป็นไรสนาฟุตบอลนะครับ mm. แล้วก็หลังจากนั้นก็คือก็ตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆส่วนใหญ่สติจะเกิดบ่อยก็ในช่วงของ าการไหว้พระสวดมนต์ก็ตามรู้ไปเรื่อยว่าจิต ห, หนีไปคิดแล้วจิต ห, หนีไปคิดแล้วนะครับแต่ก็สภาวะอื่นๆก็ที่ยังไม่แน่ใจก็คืออย่างสอบถามหลวงพ่อไม่ทราบว่าผมสามารถแยกขันได้ยังครับดูไม่ออกหรือกไ็ไม่แน่ใจครับมันเหมือนกับกายกับใจก็ลักษณะที่ว่าห่างๆกันออกไปนะครับคนที่เคยติดสมาธิจะมีจุดอ่อนอยู่ข้อหนึ่งเวลาแยกขันแล้วเนี่ย มันตั้งใจแยกไดนะ้ถ้ามันแยกโดยไม่ได้ตั้งใจนะใจมันโปร่งโล่ ง, ลงเบาสบายอย่างนั้นแยกถูกแต่ถ้าจงใจแยกใจจะแน่นๆนะเราสังเกตตรงนีนะ้เวลาล้มลงไปรู้สึกไหมใจมันอยู่ต่างหากนะร่างกายมันล้มเป็นชดชดชดลงไปครับรู้สึกได้หมดอนะ่ะขันมันแยกออกไปครับนะนี้พอเราบางคนเจตนาให้แยกก็แยก ทีแรกไม่ได้เจตนามันแยกเองแล้วก็จำได้ว่าแยกเป็นไงหรือจงใจแยกไปเรื่อยๆ จ, จ, จะจงใจแยกก็แล้วกันเอาเชิญกลับบ้าน